นับูตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมบุตทัสสะนับูตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมบุตทัสสะนบูตัสสะภะคะวะโตอรหตโตสัมมาสัมบุตทัสสะ โยคาเวชายเตปูริอโยคาปูริสังคายโยเอตังดเวปังยัญตวาภะวายะนิภะวายะจาตถาตาตานังนิเวเสยยะยัตาปูริปาวัตตะปปี เอาลำดับต่อแต่นี้ก็ขอเจริญพรท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางเฟซบุ๊อะไรนะเฟซบุ๊ไลนลน์มิติงลายมิติงนี่นั่งเห็นหน้าอยู่นี่คือที่นั่งอยู่เปิดกล้องนี่เห็นหน้าหมดนะ <c oughs> ก็ข อ, อนุมโบธนาและก็ขอเจริญธรรมะสวัสดีวันนี้เป็นการอบรมานาปานสติครั้งที่เจ็ดสิบก็แบ่งเป็นสองช่วงเวลาเวลาทั้งหมดรวมประมาณสองชั่วโมงครึ่งก็แบ่งเป็นสองช่วงช่วงแรกก็เป็นการฟังธรรมช่วงที่สองก็เป็นช่วงของการปฏิบัติธรรมในการฟังธรรมวันนี้ก็ จะถือเป็นธรรมะสำหรับการใช้ชีวิตช่วงนี้เป็นช่วงที่เร า, เามักจะรู้สึกตกใจที่ว่าใจมันไม่อุปัสมะใจกระโดดขึ้นกระโดดลงกระโดดขึ้นกระโดดลงใจเป็นอย่างนั้นในตอนนี้ว่าไม่ว่าจะเป็นข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ เช้าขึ้นมาก็จะรอดูว่าตัวเลขวันนี้เท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งมันมันมันไม่มันไม่พาใจเข้าไปสู่ความเป็นอุปสมะอุปสมะแปลว่าเข้าไปสู่ความเสเบ ร, ราบเรียบกจะแปลโดยความหมายคือความสงบมันสงบไม่ลงมันสงบไม่ลงเพราะว่าใจมันจะต้องเด้งไปเด้งมาไปตามกระแสต่างๆเพราะนั้นเรียกว่า สถานการณ์วิกฤตวิกฤตด้วยเรื่องของอะไรด้วยเรื่องของคุณภาพชีวิตด้วยเรื่องของการเงินด้วยเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของการงานด้วยเรื่องของความสัมพันธภาพในครอบครัวคือความรักใคร่กลมเกลียวกันในครอบครัวความรักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะ ความรักใกร่กลมเกี่ยวกันในประเทศชาติและในโลกแค่นี้ยังไม่พอมันยังมีความตื่นตระหนกจากสภาพของธรรมชาติเป็นภัยต่างๆเกิดจากอาักีศภัยอุทกภัยวาวตะภัยเกี่ยวภัยจากลมภัยจากดินภัยจากน้ำภัยจากไฟก็เกิดขึ้นได้อย่างต่อนเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้มันเป็นโรคภัยเป็นลักษณะของภัยที่เกิดจากไวรัสที่เรียกกันว่าไวรัสไวรัสโคโรนาหนึ่งโคโรนาหนึ่นเก้ที่พัฒนาสายพันธ์มาเยอะมากตอนนี้นับไม่ถ้วนแล้วว่ามันมีกี่สายพันธ์นะที่เข้าไปสู่ร่างกายของเรามาต่อสู้กับภูมิคุ้มกันของร่างกาย แต่ใครภูมิสำคัญอ่อนให้ภูมิต้านทานอ่อนภูมิกุ้นกันอ่อนเขาก็จะทำงานเข้าไปมีปัญหาต่อสุขภาพของเราซึ่งสภาพกายและใจของเราตอนนี้มันเสมือนกับว่ามันไม่พร้อมไม่พร้อมกับการที่จะอยู่กับเขามันดึงทำให้อุปสมะคือความสับหบความเรียบความชื่นความ สังหัตของของใจนั้นหายไปเหลือแต่ความตื่นะหนกวิตกกังวลซึ่งสิ่งเหล่านี้มันไม่ใช่เพิ่งเกิดความจริงชีวิตเราจากการเกิดสู่การตายการเกิดนี่เป็นตัวเริ่มต้นของชีวิตการตายเป็นตัวจบของชีวิตที่มันประกอบด้วยกายและใจนี้ถ้าเราดูบรรทัดบรรทัดชีวิตจากเกิดไปตายเนี่ย มันไม่มีอะไรที่จะแย่ไปกว่าโคโรนาหนึ่งเก้านี่หรอกมันมีแต่สิ่งที่จะทำให้เปลี่ยนแปลงแปรปลวนไปสู่ความตายไม่มีอะไรลหลักๆของมันที่เป็นสาระแต่ว่าเรานั้นในตัวชีวิตเรามักจะเข้าไปสู่สู่ความไม่จริง สความไม่จริงหมายความว่าเราเอาโน่นเอานี่มาปรุงมาผสมประสานที่เราเรียกกันว่าสับใหม่ๆนวัตกรรมผสมประสานขึ้นมาและเราก็ไปยึดในเรื่องราวนั้นๆเช่นตัวเราตอ น, ตอนเกิดเนี่ยเรายังไม่มีชื่อเลยแล้วก็ไปสู่ตอนตายในระหว่างเกิดกับตายมันเลยมีเรื่องราว แล้วเราก็เข้าไปสู่เรื่องราวต่างๆเรื่องราวเหล่านี้เกิดจากการที่เราผสมผสานปรุงแต่งปรุงแต่งขึ้นมาเอาโน่นมาเอานี่มาเอานั่นมาแล้วก็ปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งแล้วก็เรียกเขาว่าอย่างนั้นสมมุติชื่อเรียกแตแล้วแต่ในนี่ในทางของวัยนะในทางของวัยที่แปลเปลี่ยนในทางของกระแสะโลกที่สมมุติขึ้นมา ปเป็นหัวหน้าเป็นประธาน man, เ็าเรียกท่านประธานก็เรียกว่าท่านนายกก็เรียกว่าท่านท่านท่านทั้งหลายแหละเนี่ยก็สมมติก็จับนั่นมาจับนี่มาปรุงแต่งสมมุติมาเวลาเรามองชีวิตของเราเราก็เข้าไปถึงแค่นี้เราเข้าไปถึงตรงนี้ที่เราปรุงแต่งขึ้นมานั่นแหละและเราก็บอกว่านี่คือเราปรุงแต่งอะไรขึ้นมาและเราก็บอกว่านี่คือเราปรุงแต่งอะไรขึ้นมาและนี่น เ, รนいいเราก็บอกว่าอันนี้คือเรา แต่ตมาบอกว่าสิ่งเหล่านั้นมันไม่จริงมันไม่ใช่ของจริงมันเป็นของเก้มันเป็นของปรุงแต่งมันเหมือนกวางตัวน้อยๆที่มันวิ่งอยู่ในป่าแล้วหิวน้ำหาน้ำกินพอวิ่งผ่าลงมาจากภูเขามองก็ไปในทุ่งกว้างเห็นในท้องฟ้าด้านล่างที่ว่างๆเป็นระยิบระยับเป็นแสง เป็นระยิบระยับก็สำคัญว่าเป็นน้ำก็เรียกว่าเห็นพยับแดดแล้วก็คิดว่าเป็นน้ำก็กระโจนตัววิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปพอไปใกล้ๆแล้วมันไม่มีเหมือนเหมือนกับคนที่แบกต้นกล้วยมาเพราะว่าเข้าใจว่ามันตรงมันใหญ่มันตรง ก็จะเอามาทำเสามาทำคานแต่มาถึงพอนั่งปอกไปทีละกาบทีละกาบทีละกาบปอกปอกปอกปอกเอา้ามันไม่มีแก่นนี่ชีวิตเราก็เหมือนกันสิ่งที่เราปรุงแตง่งสมมติแล้วก็บัญญตัติชื่อเรียกทั้งหลายแหล่เยอะแยะไปหมดจากการเกิดและการตายเราก็จะไปติดอยู่ที่สิ่งที่ปรุงแต่งเหล่านั้นเราก็เข้าไม่ถึงในชีวิตจริง ในชีวิตจริงๆมันคืออะไรมันคือสิ่งซึ่งจะบอกความจริงกับเราแต่ในในสิ่งที่ปรุงแต่งอ่ะมันคือสิ่งที่จะบอกกับความไม่จริงกับเราแล้วเราก็อยู่กับความไม่จริงนั้นแหละจนในที่สุดเราเอาความไม่จริงมาเป็นอารมณ์แล้วก็พยายามที่จะคาดหมายถือมัน่น ว่ามันจะต้องเป็นจริงมันเป็นจริงไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ความจริงมันจะเป็นจริงได้อย่างไรจนบางคนต้องตัดสินใจฆ่าตัวเองตายฆ่าคู่ครองตัวเองตายฆ่าพ่อตัวเองตายฆ่าแม่ตัวเองตายบางคนจะต้องลุกขึ้นมาแล้วก็ด่าโวยวายใช้คำพูดหยาบคายสาสเสียเทเสียบางคนก็จะต้องตกอยู่ในอานาจของ ข่าวสารต่างๆบางคนก็ตกอยู่ในอำนาจของอารมณ์คือรวมเป็เสร็จแล้วเนี่ยเราไปเข้าใจยึดถือในสิ่งซึ่งไม่จริงในสิ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นมานั่นแหละว่าให้มันจริงและให้มันเป็นไปอย่างที่เราปรารถนามันเป็นไปไม่ได้และสิ่งที่เราเห็นคืออะไรก็สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าสุดท้ายของสิ่งนั้นๆนำมาซึ่งความเศร้าโศก เหมือนอย่างที่ท่านว่าโซจันติชนามามายิเตว่าชนทั้งหลายเนี่ยเศร้าโศกในเพราะถือว่าสิ่งนั้นเป็นของเราโซจันติชนามามายิเตนนะนหิชน า, านะนะฮิสันตินิจยาปริคหา เพราะอะไรเพราะความยึดถือความยึดถือหรือความที่เราถือนั้นะชื่อว่าเที่ยงไม่มีความหมายคืออะไรความหมายคือว่าสิ่งที่เราบอกว่านี่เรานี่ของเราทั้งหมดอะมันมีความยึดถือว่าเป็นของเรายึดถือว่าเป็นเรายึดถือว่าเป็นของเราทันวันนะหิสันตินิจาริคขห่าขึ้นชื่อว่าความยึดถือ ที่เที่ยงนั้นไม่มีเรียกว่าไม่มีความยึดถืออันใดที่เที่ยงเปลี่ยนแปลงแปรปลุปลนไปหมดเราจึงจะเจอเฉพาะสิ่งที่พลัดพรากจากเราไปทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นมันจึงเกิดเป็นความเศร้าโศกขึ้นมาท่านจึงบอกว่าความเศร้าโศกเหล่านี้เกิดขึ้นเพราะมะมายิเตคือว่าในเพราะสิ่งซึ่งเราถือว่าเป็นของเรานั่นเองนี่แหละวินาภาวะ ยันติมิดังเตเวินาภาว ส, สันตมิดังว่าเพราะอะไรเพราะความยึดถือนี้มีความพลาดพลากเป็นที่สุดความยึดถือนี้มีความพลาดพลาดเป็นที่สุดเพราะนถ้าเราอยู่ในเรื่องราวในสิ่งต่างๆที่เราปรุงขึ้นมา เราสมมุติขึ้นมาจนเราเข้าใจว่าไอ้นี่ของเราไอ้นี่ของเราไอ้นี่ของเราไอ้นี่ของเราไอ้นั่นของเราไอ้นี่ของเราเราก็จะเข้าไปไม่ถึงพอเราเข้าไปไม่ถึงเราก็จะไม่เห็นความทุกข์ที่แท้จริงพอเราเข้าไปไม่ถึงเราก็ไม่เห็นความทุกข์ตั้งแต่สมัยโบราณก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตรัสรู้นะคนก็พยายามนะคนพยายามที่จะไปะหาเหตุหาเรื่องราว ว่าความทุกข์ของคนเนี่ยมันเกิดมาจากอะไรในเมื่อคนทุกคนปรารถนาความสุขทำไมเราเกิดมาแล้วเรามีความสุขไม่ได้เราปรารถนาความสุขเราได้สิ่งนี้มาเราเข้าใจว่ามันเป็นความสุขแล้วทำไมมันอยู่กับเราได้ไม่ตลอดแล้วสิ่งที่มันเป็นความสุขอยู่นี้ทำไมมันต้องเปลี่ยนแปลงไปเป็นความทุกข์เล่าออแต่ เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้อ่ะพระพุทธเจ้ามองลึกลงไปผ่านเรื่องราวเหล่านั้นผ่านเรื่องราวจากการสมมุติว่าเป็นเราเป็นของเราพระพุทธเจ้ามองลงไปถึงที่ไหนพระพุทธเจ้ามองลงไปถึงเรื่องราวคือชีวิตจากการเกิดสู่การตายไม่ได้มีชื่อนามสกุลไม่ได้มีโคตไม่ได้มีแท่ไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์ไม่ได้มีอำนาจไม่ได้มีเงินทองไม่ได้มีฐานะใดๆเลย มองไปจนถึงเรื่องของการเกิดและการตายจนมองเห็นชัดว่าไอ้ความทุกข์ที่แท้จริงเรียกว่าชาติปีทุขขาความเกิดนั่ะเป็นทุกข์ชราปีทุขขาคือความแก่เป็นทุกข์คือความชราเป็นทุกข์มะรณะปีทุกขขังความตายเป็นทุกข์นี่คือคือเมื่อมองคงลงไปถึงเบื้องลึกของคําว่าชีวิตมันจึงจะเจอว่าความทุกข์หลักๆแท้จริงของชีวิตเรามันมีอยู่สามตัวเนี่ย คือความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์แต่ในตอนนี้ท่านทั้งหลายที่กําลังนั่งฟังกันอยู่นี้เราก็รู้สึกว่าพอความเกิดเป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์ความตายเป็นทุกข์เราไม่รู้สึกว่าทุกข์กับความเกิดและความแก่ความตายเพราะอะไรเพราะเรามองลงไปไม่ถึงทําไมเราลงมองลงมองไปไม่ถึงเล่าก็เพราะชีวิตของเรามันไปติดอยู่ในเรื่องราวอย่างที่อาจตะมากล่าวตมื่อตะกี้นั่นน่ะ เล็กๆน้อยๆที่ดินมั่งรถมั่งบ้านมั่งเพื่อนมั่งคู่ครองมั่งคนรักมั่งเราจะไปติดอยู่ตรงนั้นเราไปมองไม่ถึงให้สังเกตว่าอะไรเป็นเครื่องยืนยันว่าเรามองไม่ถึงคือความรู้สึกว่าความเกิดเป็นทุกข์มันน้อยความรู้สึกว่าความแก่เป็นทุกข์มันน้อยความรู้สึกว่าความตายเป็นทุกข์มันเบาไอ้ที่มันเบาไม่ใช่อะไรหรอก พราะมองไปไม่ถึงทุกนะมองไปไม่ถึงทุกมองไปไม่ถึงทุกในการปฏิบัติในอริยสัจสี่พระเจ้าบอกว่าในเรื่องของความทุกขเนี่ยเราจะต้องกําหนดรู้กําหนดรู้เนี่ยว่าให้รู้ว่านี้คือทุกขถ้ารู้ลงไปจนถึงว่าความเกิดเป็นทุกขความแก่เป็นทุกขความตายเป็นทุกขนี่แหละเรียกว่าเริ่มรู้แล้วรู้ไปจนถึงไหน่ะ รู้จนไปจิตมันรู้สึกได้ว่ามันเกิดความรู้ขึ้นมาว่าความทุกนี้เราได้กำหนดรู้แล้วนี่หลักการปฏิบัติตรงๆของอริยสัจรู้ว่าความทุกเป็นสิ่งที่ควรคว ร, ค ว, รความทุกเป็นสิ่งที่ต้องกาหนดรู้และกำหนดจนไปกระทั่งมันรู้ได้ว่าเรากาหนดรู้แล้วคำว่ารู้แล้วนี่หมายความว่ามันจบในเรื่องของการรู้ของความทุก แปลว่าเราไม่สามารถที่จะมาเป็นอย่างนั้นได้เพราะว่าเราติดอยู่ในเรื่องราวเราเข้าไปไม่ถึงชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆที่เรามากล่าวก็คือกายกับใจหรือรูปกับนามถ้าแยกออกไปก็เรียกว่าขันห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารบิญยาณ น, นี่แหละนี่แหละคือชีวิตจริงๆชีวิตจริงๆถ้าเรามองไปเนี่ยมันจะลดภาระในการพิจารณามากนะ ถ้าเรามองไปถึงกายจริงๆมองไปถึงใจจริงๆมันจะผ่านผ่านสิ่งปรุงแต่งผ่านบัญญัติทั้งหลายแหล่ลึกลงไปมากไอ้ข้ออ้างของเราส่วนมากสมมุติว่าวันนี้จะมีการปฏิบัติธรรมอบรมอาณาปานสติกันเอาทําไมไม่ได้เอาไม่มีสถานที่ไม่มีที่ว่างไม่มีเวลา เพราะต้องอย่างนั้นเพราะต้องอย่างนี้เพราะมันอย่างนั้นเพราะมันอย่างนี้เหตุดังนั้นทั้งหลายแหล่ที่เรายกมาเป็นข้ออ้างเนี่ยมันเป็นเรื่องราวมันเป็นเรื่องราวที่เราสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อว่ามันเป็นเราเป็นของเราและเราก็อยู่ในอำนาจของมันอย่างนั้นทั้งๆั้งที่ทั้งทั้งที่มันเป็นสังขารมันเป็นสิ่งที่ปรุงแต่งมันเป็นสิ่งที่ถูกสมมุติขึ้นมาแล้วเราก็เชื่อแบบผิดผิดแล้วก็หลงไปกับมัน จนเราเข้าไปไม่ถึงมันแต่พอพูดกันถึงเรื่องของชีวิตมันเป็นกายเป็นใจเท่านั้นแหละแท้ที่จริงมันก็เป็นกายที่ก่อขึ้นมาเป็นเป็นกายเป็นใจเป็นชีวิตไม่มีชื่อไม่มีนามสกุลไม่มีอะไรหรอกมันก็เกิตั้งเกิดขึ้นตั้งอยู่ในขณะที่ตั้งอยู่มันมีความแปรปรวนปรากฏแล้วมันก็แตกสลายไปเท่านั้นแหละไอ้ข้ออ้างอย่างอื่นเนี่ยมันจะไม่มีเพราะว่ามันจะผ่านมันมองผ่านเข้าไปมันจะมองทะลุเข้าไป เรียกว่ามัทลุสัญญานิมิตมัทลุสิ่งซึ่งสมมติบัญญัติปรุงแต่งเข้าไปถ้าอย่างนี้มันง่ายมันง่ายต่อการที่จะรู้ในเรื่องของกายใจที่แท้จริงทำไมพระพุทธเจ้าสแสดงพระธรรมจกกักรปวัตนนสูตรให้กับท่านปัญจวคีทั้งห้าเนี่ยสแสดงธรรมจกักรแป๊เดียวท่านทั้งห้านั้นเข้าใจโดยเฉพาะทนันญากลทัญญะทันยาานะเข้าใจ และเข้าใจคําว่าเข้าใจหมายความว่าอย่างไรคือเข้าใจไปถึงชีวิตที่แท้จริงทะลุหมดนะทะลสสมมุสิ่งสมมุติสิ่งสมมุติทั้งหลายแลที่เป็นเรื่องราวของชีวิตมันทะลุเข้าไปหมดและจนไปถึงชีวิตที่แท้จริงคือกายและใจรูปนามที่แท้จริงพอไปถึงรูปนามที่แท้จริงปั๊บเนี่ยมันก็จะเห็นความจริงปรากฏต่อรูปต่อนามต่อชีวิตธน ญ, ญากลธ น, นญะไม่ได้เข้าใจอย่างอื่นเลย ก็เข้าใจเพราะว่ามองทะลุสิ่งเหล่านี้จากการฟังพระธรรมจักกัปปวัตนสูตรแล้วก็มองทะลุเข้าไปมองทะลุเข้าไปผ่านสิ่งซึ่งสมมุติบัญญัติแม้กระทั่งท่านมาบวชแล้วเนี่ยบาเพ็ญออกจากริกทมในป่าท่านก็ยังไปสมมุติเข้ามาอีกวิธีการปฏิบัติอย่างนั้นวิธีปฏิบัติอย่างนี้วิธีปฏิบัติอย่างนู้ น, นจนกระทั่งถึงการบําเพ็ญทุกกิริยาพระพุทธเจ้าของเราตอนบําเพ็ญตอนออกบวชใหม่ๆก็ ไปอยู่ในเรื่องราวเหล่านี้แหละโดยเข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้แนหะคือทางแห่งการหลุดพ้นแต่แล้วที่จริงมันก็เป็นเรื่องราวที่สมมุติขึ้นมาด้วยความเชื่อด้วยความเข้าใจยังยืนอยู่บนฐานของตัวเราและของเราอยู่จนในที่สุดมาบำเพ็ญทุกกิริยาทุกกิริยาก็ถูกวางไว้ด้วยความเชื่อของเราของมนุษย์ในยุคนั้นที่เป็นเรื่องเป็นราวว่านี่คือการบำเพ็ญตบะขั้นสูงสุดเจ้าช้ยศรีธะก็ไปบำเพ็ญเข้า แต่ในที่สุดมันไม่ใช่ไม่มีความหลุดพ้นใดๆหรือว่าไม่มีความไม่มีสัจจะใดๆที่จะปรากฏอยู่บนสิ่งซึ่งไม่ใช่สัจจะไม่มีความหลุดพ้นใดที่จะปรากฏขึ้นได้จากสิ่งซึ่งไม่มีสาระไม่มีสาระใดจะเกิดขึ้นในสิ่งที่ไม่มีสาระเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเลยทิ้งการบำเพ็ญทุกกรยา แล้วก็ถอยกลับมาสู่กายสู่ใจที่แท้จริงพอไปสู่กายสู่ใจที่แท้จริงตอนที่นั่งตายตนประสีมหาโพธิแล้วก็ใช้กายนั่นแหละเป็นฐานใช้กายนั่นแหละเป็นฐานแล้วก็ทาการพิจาจรณาธรรมนัสสิการเรียกว่าโยนิโสมนัสสิการโดยใช้ลมหายใจชื่อว่าอนาปานสติทำการพิจาจรณาศึกษาลงไปลงไปลงไปจนความจริงทั้งหลายปรากฏ ปรากฏจนถึงที่สุดเราเรียกว่าตัตตารูเราก็เรียกว่าตัตตารูอันนี้แหละเราะั้นในปัจจุบันของเราเนี่ยที่บอกว่าถ้าเรามองทะลุเรื่องราวลงไปมองสัญญาณนิมิตมองสิ่งที่เราเข้าใจว่ามันเป็นเราเป็นเร า, เ ป, เ, ราเป็นเราอยู่นั้นมองให้มันผ่านไปผ่านเข้าไปผ่านเข้าไปจนกระทั่งถึงชีวิตพอถึงชีวิตแล้วมันก็ทําการพิจารณา การพิจารณาชีวิตเนี่ยมันต้องทำให้มันเกิดความมั่นคงเราจะฟังคนอื่นไม่ได้นะสิ่งที่เราจะต้องฟังที่มากล่าวตั้งแต่ตอนต้นนั่นคือพระพุทธเจ้าเรียกว่าเป็นผู้รอบรู้จบกระบวนการของชีวิตไม่มีใครที่จะมีความรอบรู้ได้ยาวเท่ากับพระพุทธเจ้าอีกแล้วเราก็ต้องฟังพระพุทธเจ้าการฟังพระพุทธเจ้าเนี่ยไม่ใช่ฟังเพราะความเชื่อแต่ฟังเพราะความจริง การให้เกิดความจริงจากการฟังพระพุทธเจ้าต้องทำอย่างไรฟังแล้วก็หานมาตรวจสอบพิจารณาพอฟังแล้วก็ตรวจสอบพิจารณาฟังแล้วก็ตรวจสอบพิจารณาฟังแล้วก็ตรวจสอบพิจารณาความจริงมันก็ปรากฏเมื่อความจริงปรากฏมันก็เกิดความเชื่อที่มาจากความรู้เป็นฐานอันนี้แหละมันก็เข้าสู่ตัวพระพุทธศาสนาในในตามตรงตามที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว้ เมื่อเราฟังแล้วเราก็นำมาพิ จ, จารณามันจนกระทั่งมันปรากฏขึ้นมาสิ่งที่เราจะต้องพัฒนาในการที่เราจะต้องรู้ในเรื่องราวเหล่านี้ที่กล่าวมาเนี่ยเพื่อให้เราถอยออกมาจากสถานการณ์อันวิกฤตคํานะำว่าถอยออกไม่ใช่หนีนะคำว่าถอยออกหมายความว่าให้มันสงบตัวลงมาจากความหวาดกลัวจากความตื่นตระหนกจากความหวาดระแวงเนี่ย ให้มันถอยออกมาแล้วมันจะต้องทรงอยู่กับความตั้งมั่นอยู่กับความมั่นคงมันจึงต้องเกิดธรรมชาติสี่ประการประการที่หนึ่งอ่ะที่ชื่อว่าต้องเกิดเป็นความรู้รู้นี่หมายความว่าอย่างไรคําว่ารู้เนี่ยรู้เนี่ยต้องรู้รอบรู้ทั่วรู้ก่อนรู้หน้ารู้หลังโดยเรียกรวมๆ ว, ว่ารู้รอบ รู้รอบที่แปลว่าปัญญาปัญญานี่แปลว่ารู้รอบรู้ทั่วรู้นี่จะต้องเป็นอย่างไรในการที่จะต้องรักษาชีวิตให้มันเกิดความมั่นคงเพราะว่าปัญญาคือความรู้พระพุทธเจ้าว่าเราจะต้องประกอบรักษาประกอบก็คือต้องเพียร เหมือนมต่กี้ที่ยกบาลีว่าโยคาเวชายเตภูริว่าปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบปัญญาย่อมเกิดเพราะความประกอบหมายความว่าความรู้จะเกิดได้ด้วยการด้วยความเพียรถ้าไม่เพียรนั้นไม่มีทางอโยคาเวชาฟูริสังคโยความเสื่อมไปของปัญญาเกิดจากความไม่เพียร ความ ป, ปัญญาเกิดจากความเพียรความเสื่อมไปของปัญญาเกิดจากความไม่เพียรเอตังทเวเอตังตเวทาปัทังยัตวาภะวายะวิภะวายะจะบุคคลรู้ทางเกิดแห่งปัญญาและทางเสื่อมแห่งปัญญาทั้งสองนั้นแล้วตัทธตตานังนิเวศยัยทาภูริปรวัตติ ให้ดำรงตนในทางที่ปัญญามันตั้งขึ้นให้ดำรงตนในทางที่ปัญญามันเจริญอย่าไปดำรงตนในในทางที่ปัญญามันเสื่อมอันนี้ตรงตรงตรงตรงมากการที่เรามุ่งเรียนรู้ให้มันทะลุลงไปจนถึงกายใจที่แท้จริงอันนี้แหละเป็นทางของปัญญาแต่ถ้าเราลงไปแล้ว ทะลุไปไม่ได้มันไปติดอยู่ตนสัญญาณนิมิตที่กล่าวมาตั้งแต่ต้นที่มากล่าวมาทั้งหมดน่ะจนคือองค์คาพยพของเรื่องราวที่มันกอ่อยเกิดความหลงกอ้อยเกิดความยึดถือก่อให้เกิดความอยากกอ่อยเกิดความาหมายมั่นไว้ทั้งหลายแลยนะในเรื่องราวเหล่านั้นเราก็ไม่สามารถไม่สามารถที่จะลงไปทางลงไปสู่ถึงต้นทางที่จะทําให้เกิดปัญญาได้ไม่สามารถจริงๆ พระพุทธเจ้าตรัสว่าในสิ่งทั้งปวงเนี่ยมันมีธรรมชาติอยู่สามประการแต่เดิมเราเจอธรรมชาติสองสองสายสายที่หนึ่งคือเราพอใจสายที่สองคือสายของความไม่พอใจให้เราพิจารณาดูว่าชีวิตทั้งหมดเนี่ยของเราเนี่ยมันมีพอใจกับไม่พอใจใช่ไหม พอใจคืออะไรพอใจก็คือการมาสุขลิกานุโยกในธรรมจักกะปวัตนสูตรเนี่ยที่เราสวดกันนะกาเบสุกามมาสุขลิกานุโยโคงีโนกโมโปทุชนิโกะนริโยะนัตทนฮิโตเนี่ยเรียกว่าการมสุขลิกานุโยกคือมันพัวพันหมกมุ่นก็ะเกี่ยวไหลไปกับความพอใจ พอมันมันมันอยู่ในเส้นทางสายนี้อะเราก็จะต้องแสวงหาเพื่อให้มันเจอสิ่งที่พอใจอยู่เรื่อยๆแล้วความสุขของเราคืออะไรความสุขของเราก็คือว่ามันสมใจความสมใจคือความสุขใจในเส้นทางสายนี้โดยมีความอยากเป็นฐานอยากจะได้อย่างนั้นก็แสวงหาจนกระทั่งมันเกิดความพอใจ อยากได้อันนี้ก็แสวงหาจนกระทั่งมันเกิดความพอใจแล้วก็คิดว่าชีวิตทั้งชีวิตมันจะต้องมีความพอใจเป็นเป้าแล้วการดิ้นรนตะเกียรตะกายของชีวิตมันมีความมันจะมุ่งกันไปในเส้นทางเพื่อให้เกิดความพอใจแล้วเมื่อเจอสิ่งซึ่งมันไม่ใช่ความพอไม่ถูกใจมันก็เกิดความไม่พอใจนั้นความไม่พอใจและความพอใจทั้งสองอย่างนี้ ไอ้ความไม่พอใจพระพเจ้าเรียกว่าอะตกิรมถานุโยคคือการชอบทำให้ตัวเองลาบากชอบทำให้ตัวเองลาบากเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่มีอำนาจทรงอิทธิพลที่สุดในเป็นตัวกาหนดทิศทางชีวิตของเราแต่เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้มองเข้าไปสู่ธรรมชาติอันเป็นจริงนั้นแล้ว มองไปสู่ธรรมชาติอันเป็นจริงนั้นแล้วพระพุทธเจ้าเจอความเป็นจริงที่เป็นธรรมชาติอีกอย่างหนึ่งที่มันมีอยู่มันไม่ใช่ว่าพระพุทธเจ้ามาบัญญัตินะมันมีอยู่นอกเหนือจากความพอใจและความไม่พอใจที่ว่าเนี่ยมันมีความเป็นจริงอีกอย่างหนึ่งที่จะทําให้เราได้รับความสุขอย่างแท้จริงตรงตามที่เราปรารถนา สิ่ง <rene> น hmm, ั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่าเอเตเตพิกเวอุโพอเยอนุปคัมมะมัชชิมาปฏิปทาตถาคตินาภิสัมพุทธามันคือทางอันเป็นกลางมันเป็นกลางยังไงเอเตเตพิกเวอุโพอเยอนุปคัมะอนุปคัมะแปลว่าไม่เข้าไปใกล้ไม่เข้าไปใกล้ไอ้ทางสองไอ้ธรรมชาติสองอย่างที่ว่ามานั้นอนุปคัมมะแปลว่าไม่เข้าไปใกล้ เอเตเตพิกเวอุโโพอันเตอันเตอันเตอันเตแปลว่าในที่สุดในที่สุดก็คือว่าไม่เข้าไปใกล้ในทางอันเป็นที่สุดทั้งสองข้างนั้นไม่เข้าไปใกล้ความพอใจไม่เข้าไปใกล้ความไม่พอใจไม่เข้าไปใกล้ความอานากรมัสุขาลิกานโยกไม่เข้าไปใกล้อัตตากิริมันฐานโยกธรรมชาติชนิดนี้ชื่อว่ามัชิมาปฏิปทาคือทางอันเป็นกลาง เป็นข้อปฏิบัติอันเป็นกลางซึ่งมันมีอยู่และอันนี้แหละตถาคตเตอาบิสัมพุทธาที่ตถาคตดาจตรัดรูถ้าเรามองพระพุทธศาสนาด้วยด้วยแค่นี้เราจะเห็นบริบทของคาว่าพุทธศาสนาเป็นอย่างไรนะพุทธศาสนามันก็คือคำสอนที่มันเป็นกลางไม่เข้าไปใกล้ ในทางอันเป็นที่สุดทั้งสองข้างนั่นน่ะก็คือพุทธศาสนาทีนี้ในความเป็นกลางตรงนี้เราจะเราจะไปอยู่เราบอกว่าเราจะสมมติ่มึงมีคนแก่คนหนึ่งไปนั่งฟังเทศที่เขาเล่าให้ฟังฮนะมันก็เป็นเรื่องเล่าขำๆคุณยายคนหนึ่งไปฟังธรรมที่วัด พระก็เทศบอกว่าคนเรานั้นโยมเอ้ยต้องอยู่กับความเป็นกลางนะต้องมัชฌิมาปฏิปทาต้องเดินทางสายกลางถ้าไม่เดินทางสายกลางมันจะเป็นทุกข์คุณยายปกติมาวัดทุกวันนะไอมาวัดทุกวันพระชาววันพระก็ถือปิ่นโตมาแล้วถ้ามาจากบ้านก็เดินทาง้ายถนนะเดินทาง้ายถนนเวลาขากลับก็เดินทางสายอีกแล้วเพราะบ้านอยู่ใกล้ถนน วันนั้นพอควังเทศเสร็จ ค, คุณยายออกจากวั๊มาบอขึ้นถนนปั๊บคุณยายเดินกลางถนนเลยเพราะว่าพระพระเทศบอกว่าเดินทางสายกลางในที่ถูดคุณยายก็ถูกรถชนตายอันนี้เรื่องที่ก็เล่ามาเนี่ยเขาเล่าไอ้ควังว่าเออเป็นคำๆดีเหมือนกันเมื่อเราอยู่กับสิ่งสมมุติแม้นว่าเราเป็นปุตุชนอยู่นะ เราอยู่กับสิ่งสมมุติเป็นสัญญาณนิมิตอยู่กับเรื่องราวของชีวิตเข้าไปไม่ถึงชีวิตคือกายใจที่แท้จริงแล้วเราจะมาพูดเรื่องทางเป็นกลางทางเป็นกลางทางเป็นกลางอยู่ในสิ่งสมมุตินั้นเราไม่สามารถเราไม่สามารถไม่สามารถที่จะเข้าไปใช้ทางความเป็นกลางเนี่ยให้มันมันไปสู่เป้าหมายอย่างแท้จริงของความเป็นกลางได้ เหมือนกับเราอยู่ในโอ่งน้ํำเราจะไปท้ายทางสายกลางในโอ่งน้าน่ะไม่ได้เพราะฉะนั้นมันจะต้องเข้าไปสู่ความเป็นจริงของชีวิตนี้ให้ได้คือเข้าไปสู่กายที่แท้จริงเข้าไปสู่ใจที่แท้จริงเมื่อเข้าไปสู่กายที่แท้จริงใจที่แท้จริงแล้วเนี่ยมันก็ทําการพิจารณาเพราะฉะนั้นในคําสอนในธรรมจักปรปวัตนนสูตรนะท่านสอนเป็นลําดับลําดับนะท่านว่าจักขุกรณีญนั ก, กรณี อุปสมัยยะอภินญญายะสัมโพธยะนิพานายะสังวัตติไอ้ข้อธรรมเหล่านี้เนี่ยมันเป็นเหตุเป็นผลเป็นเหตุเป็นผลในทางปฏิบัติจากขุกรณีหมายความว่ามนสิการกระทำพิจารณาลงไปแล้วมันจนเกิดเป็นดวงตาคือเป็นเครื่องเห็นพอเป็นเครื่องเห็นเสร็จแล้วมันก็ยานักกรณีก็เกิดเป็นเครื่องรู้เป็นเครื่องเห็นเครื่องรู้ ปรากฏขึ้นในความเป็นจริงของชีวิตเรียกว่ามันก็จะทะลุทะลวงสิ่งซึ่งเป็นสิ่งเรื่องราวที่กล่าวเป็นสัญญาใิมิต ท, ทั้งหลายที่เราก่อขึ้นมาจับนูน่นจับนี่มาปรุงเป็นแต่งเป็นตัวเป็นชิ้นเป็นอันแล้วเราบอกว่านี่ของเรานี่ของเรานี่ของเรามันทะลุผ่านไปหมดนะทะลุผ่านไปหมดเหมือนท่านัญญาโกนทัญญะท่านทะลุผ่านเข้าไปพอไปอยู่กับกายใจที่แท้จริงอะ แล้วก็ธรรมนัสิการพิจารณาเข้าไปพิจารณาเข้าไปความจริงมันก็ปรากฏปรากฏกับหลวงพ่ออัญญาคนทัญญาวายังกินจีสมุตยยะธรรมังสะพันตังนิโรตธรรมังว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาเพราะนันบรรทัดชีวิตจากการเกิดถึงการตายมันไม่ได้มีอะไรมากเลยถ้าความจริงปรากฏแต่เราไปหมกอยู่กับเรื่องราวพอไปหมกอยู่กับเรื่องราว เราก็เป็นไปตามนั้นเราจนเรารวยเราสวยเราหล่อเราขี้เร่เราเป็นโรคเราติดเชื้อเราไม่ติดเชื้อเราอย่างนั้นเราอย่างนี้เราอย่างโน้นเราอย่างนั้นเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้เขาอย่างโน้นแล้วก็มีอำนาจกำหนดทิศทางชีวิตของเราทั้งชีวิตให้มันเป๋และก็เป็นไปอย่างนั้นมันเลยดูว่าโอ้ยมันวุ่นวายเหลือเกิน มันวุ่นวายเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้าว่ามัชฌิมาปฏิปทาถอยออกมาถอยออกมาจากความพอใจจากความไม่พอใจนั้นแล้วเดิมเดินในทางอันเป็นกลางแต่ในทางอันเป็นกลางที่ว่านี้มันจะต้องเกิดขึ้นด้วยความรู้ความรู้นี่ไม่ใช่ไปเกิดความรู้ที่ไหนนะมันต้องลงไปสู่ความรู้ในกายในใจอย่างแท้จริงเป็นความรู้จริงที่เกิดขึ้น ในความเป็นจริงอันปรากฏเป็นธรรมชาติของกายของใจความรู้อย่างนี้แหละเรียกว่าส ม, มัทัญญาส ม, มัทัญญาหรือส ม, มัยญาณก็เรียกว่ารู้ที่ถูกต้องเมื่อใดก็ตามที่เราหลงอยู่กับสิ่งสมมติว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่ในอำนาจความพอใจและความไม่พอใจอยู่นั้นธรรมชาติของชีวิตมันมีปรากฏอยู่ก็คือความเห็นความคิด การพูดพฤติกรรมการแสดงออกการเลี้ยงชีวิตรวมไนทั้งความสำนึกะระลึกรู้และความตั้งใจทั้งหมดมันเป็นแปดประการซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แต่กราบใดที่เรายังอยู่ในเมื่อเราไปยึดเหมือนกวางที่เห็นพาับแดดและกระโดดเข้าไปหาหวังที่จะหวังที่จะได้ดื่มน้ำ ในขณะที่กวางกระโดดไปก่อนที่จะถึงพยับแดดและหวังที่จะได้ดื่มน้าความคิดความเห็นความระลึกความตั้งใจทั้งหมดเลยนะมันมุ่งเข้าไปสู่สิ่งทึ่งตนเข้าใจว่ามีน้ำอยู่และมุ่งให้ไปให้ที่สุดซึ่งการดื่มนั้นความสุขในชีวิตของเราเหมือนกวางตัวนั้นเหมือนกวางตัวนั้นเพราะมันเห็น เพราะมันเห็นอย่างนั้นมันรู้สึกอย่างนั้นมันคิดอย่างนั้นมันเข้าใจอย่างนั้นมันเลยนํำพาชีวิตให้พูดอย่างนั้นให้ทําอย่างนั้นให้ประกอบอย่างนั้นเลี้ยงชีวิตแบบนั้นตั้งใจอย่างนั้นแต่ในระยะทางกว่าที่มันจะไปถึงที่สุดของมันมันก็ล้มลุกคลุกการจับน้นเปลี่ยนนี่ทํานั่นทนํานี่แต่เมื่อไปถึงที่สุดแล้วปรากฏว่า ที่เห็นนั่นน่ะผิดที่คิดนั่นน่ะผิดที่พูดนั่นน่ะผิดที่ทำนั้นก็ผิดที่เลี้ยงชีวิตที่ดำเดินที่สแสวงหาทาอาชีพมามันก็ผิดเพราะอะไรเพราะมันเกิดเป็นความทุกข์เวลามันเกิดเป็นความทุกข์แล้วมันก็จะรู้สึกผิดเหมือนเราไปนอนอยู่บนเตียงถ้าเรานั่งฟังกันอยู่ตอนนี้เราแข็งแรงใช่ไหมถ้าพูดเรื่องนี้เราก็จะตอบย้อนเถียงกลับมา ว่าอืมเอาไว้ก่อนรอติดเตียงก่อนมันก็ว่าถ้าเราเรานอนไข่ติดเตียงก่อนที่เราจะตายเรานอนอยู่บนเตียงอืมหรือหมอมาบอกกับเราเลยว่าคุณจะมีชีวิตยอยู่ได้อีกสามสิบนาทีออกตรงๆเลยเพื่อความรวดเร็วไม่ต้องเสียเวลาหมอมาบอกว่าอีกสามสิบนาทีคุณจะมีชีวิตยอยู่ได้ไม่เกินสามสิบนาที ถ้าเราตั้งสติได้ทันนะเราก็จะเห็นเลยฮนะว่าสิ่งที่เราสมมุติขึ้นมาเป็นเราเป็นของเราที่เราปรุงแต่งขึ้นมามันเยอะมากแล้วเราก็จะทะลุผ่านมันเข้าไปผ่านมันเข้าไปที่ไหนผ่านมันเข้าไปถึงชีวิตเพื่อที่จะรักษาชีวิตนี้ไว้ไม่เอาอย่างอื่นแล้ว บ้านมีสองหลังรถมีสามคันมีอะไรต่างๆๆ่างๆต่า ง, งๆนานาเนี่ยทิ้งหมดมันทะลุเข้าไปหมดทะลุผ่านไปหมดเลยมันไร้สาระคำว่าไรา้สาระหมายความว่ามันทะลุผ่านเข้าไปเลยไม่ใช่ว่าพอหมอบอกว่าอีกสามสิบนาทีคุณจะต้องเสียชีวิตแล้วชีวิตคุณจะอยู่ได้แค่สามสิบนาทีมันไม่มีใครหรอกที่จะวิ่งไปหมกจมอยู่กับรถป้ายแดงที่จอดไว้ที่บ้านหรือจะวิ่งไปหมกจมอยู่กับ สิ่งต่างๆซึ่งมันไม่ใช่ชีวิตมันจะวิ่งเข้าไปตรงตัวชีวิตทันทีเลยเรียกว่าถ้าลวงสิ่งไร้สาระเข้าไปอันนี้เป็นบทที่จะชี้ให้พวกท่านทั้งหลายได้ฟังว่ามันมันเหมือนกับพิสูจน์ว่าในบรรทัดชีวิตเมื่อชีวิตมาถึงตรงนั้นน่ะมันก็จะเห็นได้ว่าเรื่องราวที่เราเข้าใจว่ามันสำคัญสาคัญสาคัญสาคัญสําคัญเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องที่ไร้สาระขึ้นมาทันที เพราะฉะนั้นในมัชิมาปฏิปทานี่คือในข้อปฏิบัติอันเป็นกลางหมายความว่าเอาใจออกมาอยู่ไม่ไปไม่อยู่ในอำนาจของความพอใจและไม่อยู่ในอำนาจของความไม่พอใจหมายความว่าสิ่งนั้นยังเป็นอยู่มันมีอยู่แต่เรามาอยู่ในธรรมชาติที่ชื่อว่ามัชชิมาปฏิปทาด้วยความรู้ด้วยความรู้ที่เข้าไปพิจารณากายพิจารณาใจ เรียกว่าพิจารณาชีวิตให้ความจริงมันปรากฏการพิจารณาชีวิตนี่เรียกว่าโยนิโสมนัสตริการคือพิจารณาชีวิตอย่างไรเอาชีวิตเราประกอบด้วยกายและใจพิจารณากายมันก็ทะลุทะลุสิ่งซึ่งซึ่งสมมุติออกไปก่อนว่ากายแท้จริงมันเป็นอะไรพอพิจารณากายแท้จริงมาแท้จริงกายของเราเนี่ย ตามที่พระพุทธเจ้าท่านวางแนวไว้ให้เราพิจารณาเพื่อเข้าสู่ความเป็นจริงก็พิจารณาด้วยความเป็นธาตุนะว่าธาตุมันแค่กายรองรองนี่มันก็แค่ธาตุสีมาประกอบกันข้าวพอมาเราพิจารณากายแค่เพียงธาตุสี่คือดินน้ำไฟลมดินเป็นอย่างไรดินก็คือผมขนเทปขนหนังเนื้อเอ็นกระดูกเยื่อในกระดูกม้าหัวใจตับปังผือไตปอดไธ่ใหญ่ไธ่น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเนี่ยอย่างนี้เรียกว่าดิน เป็นลักษณะแข็งแข็งแค่นแค่นก้อนก้อนอันนี้เป็นธาตุดินธาตุน้ําก็คือลักษณะที่มันเอิบอาบเหลวเหลวนี่ติดธาตุน้ํา ด, ดินน้ําเนี่ยมันมันก็ก่อขึ้นมาลมลักษณะที่มันมีพัดไปพัดมาไฟก็ลักษณะอุ่นอุ่นร้อนๆอนคือมันกลุ่มกันอยู่ทั้งสี่ธาตุก่อขึ้นมาเป็นกายของเราแต่ธาตุทั้งสี่ธาตุนี้มันเปลี่ยนแปลงแปรแปลวน ไปตามเหตุตามปัจจัยมันเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไปตามเหตุตามปัจจ <mm ัยเพราะก่อขึ้นมาเป็นรูปเป็นร่างเราก็มองว่ามันเป็นเราแต่ถ้ามองพิจารณาเห็นโดยความเป็นธาตุอย่างนี้แล้วมันไม่มีเราอยู่ในนั้นไปดูที่ผมมันก็ไม่มีเราอยู่ในผมไปดูที่ขนมันก็ไม่มีเราอยู่ที่ขนไปดูที่เล็บมันก็ไม่มีเราอยู่ที่เล็บไปดูที่หนังมันก็ไม่มีเราอยู่ที่หนัง ไปดูที่เนื้อมันก็ไม่มีเราอยู่ที่เนื้อไปดูที่กระดูกมันก็คือกระดูกมันไม่มีเราอยู่ที่กระดูกไอ้ตรงไหนลละที่ชื่อว่านางกอนายขอมันไม่มีมันก็แค่ทาสีมาประชุมกันข้าเมื่อทาสียังก่อกลุ่มกันอยู่มันก็ยังคงอยู่เมื่อมีเหตุปัจจัยทาให้ท่าสีนี้ก่อกลุ่มกันไม่ได้มันก็แตกสลายพอเราพิจารณาอย่างนี้ปั๊บเนี่ยเราก็จะเห็นว่าไม่ว่าทั้ง โอลาริกังวาไอ้ทั้งอัจชัดตังวาพระหิทธาวาหมายความว่าทั้งภายในคือทั้งธาตุสีซึ่งชื่อว่าเป็นเรานี้มันก็เป็นอย่างนี้พระหิทธาวาธาตุสี่อันอยู่ข้างนอกคือเป็นธาตุสีของคนอื่นที่แต่เดิมเราเข้าใจว่าเป็นผู้หญิงเป็นผู้ชายเราเข้าใจว่าเป็นเจ้านายเป็นลูกน้องเราเข้าใจว่าเป็นคนรวยคนจนเราเข้าใจว่าเป็นคนสวยคนขี้เรเนี่ยแท้ที่จริง ทั้งอัจฉติย์หมายความว่าทั้งธาตุสี่ที่เป็นเราและธาตุสีที่เป็นผู้อื่นคือภายนอกมันเหมือนกันเลยเหมือนกันเป๊ะไม่มีอะไรที่แตกต่างโดยความเป็นธาตุอันนี้มันก็เกิดเป็นความรู้ขึ้นมาไอความรู้นี้แหละเรียกว่ารู้จริงละเรียกว่ารู้จริงละเข้าสู่เส้นทางของความรู้จริงแล้วเพราะว่ามันตัด ตัดเรื่องราวที่เราสมมติตามสัญญาของเราเราเรียนหนังสือจบปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกไปจบครคดนั่นร์ดนี่ไปจบนั่นจบนี่มาเยอะแยะมากมายแล้วก็มาจัดสรรสิ่งต่างๆขึ้นมาเรียกว่าอย่างนั้นเรียกว่าอย่างนี้เรียกว่าอย่างโน้นเรียกว่าอย่างนั้นแต่พอเราบองไปโดยความเป็นธาตพอความรู้จริงโดยความเป็นทาตปรากฏสิ่งเหล่านั้นมัน มันกลายเป็นสิ่งสมมุติออกไปไม่ใช่สิ่งสําคัญอีกต่อไปเพราะเราพิจารณาในความความจริงของของชีวิตนี้ลึกกลงเข้าไปอีกพอโดยความเป็นธาตุเสร็จแล้วเราก็พิจารณาอีกดูสิว่ามันเป็นยังไงต่อว่าไอ้กายของเราที่เราถูกเรียกว่านางสาวกอเคยเป็นนางนวล น, นางนี้ก็สวยหามงแต่ก่อนเราก็สําคัญว่าเราสวยเราน่ารักเราหล่อเราเท่เราเก่งเราดีเราเด่น พอเราพิจารณาไปเกิดความจริงอีกอย่างหนึ่งปรากฏว่าร่างกายของเรานี้แท้จริงมันเต็มไปด้วยสิ่งปฏิกูลโดยธรรมชาติมันเป็นปฏิกูลโดยธรรมชาติคาว่าปฏิกูลโดยธรรมชาติคือความเป็นจริงเป็นอย่างนั้น แม้นเราจะไปพยายามทำให้มันไม่ปฏิกูลแต่ในที่สุดมันก็ปฏิกูลอยู่ดีเพราะมันเป็นปฏิกูลโดยธรรมชาติถ้าว่าปฏิกูลโดยธรรมชาติเนี่ยมันจะต้องทำการพิจารณาศึกษาลงไปในธาตุแต่ละธาตุนะศึกษาลงไปที่ผมศึกษาลงไปที่ขนศึกษาลงไปที่หนังศึกษาลงไปที่เล็บศึกษาลงไปที่ควัน ศึกษาลงไปที่เนื้อศึกษาลงไปที่กระดูกเป็นต้นแต่ละอย่างแต่ละอย่างเราก็ทําการศึกษาทั้งโดยปัจจักขยานและอนุมานยานปัจจขยานหมายความว่าศึกษาตรงเข้าไปในสิ่งที่เรารู้เห็นอย่างชัดเจนเช่นผมหรือเนื้อหรื อ, ห, รอหนังที่เรามองกับเห็นด้วยตาอย่างชัดเจนอย่างนี้แล้วมองเพ่งพินิจพิจารณามันลงไป ว่าเนื้อของเราหุ้มหนังของเราที่มันหุ้มตัวเราอยู่เนี่ยอืมมันเป็นอย่างไรในที่สุดมันก็จะเห็นชัดนะมันเกิดความรู้ขึ้นมาว่าที่ว่าเป็นกายของเราเป็นตัวของเรานี้พอมองโดยมันมีความจริงโดยความเป็นปฏิกูลอย่างธรรมชาติเกิดขึ้นว่ามันเป็นสิ่งสกปรกโฉโครบพอมันเป็นอย่างนี้ไอความหน้ารักความเท่ความหลอ่อความหน้า เอ็นดูความสมมาตรมันก็จะหายไปเรียกว่าพอมันเกิดปฏิกูลและสัญญาอย่างนี้มันก็จะคลายออกมาจากความหลงผิดทันทีว่ากายของเราตัวของเรานั้นดีงามน่ารักน่าใครมันจะคลายตัวออกมาโดยเป็นธรรมชาติเนี่ยพอเราพิจารณาตรงไปที่กายแท้ มันจะเกิดความรู้ขึ้นมาเป็นประการที่สองเรียกว่าเกิดความรู้โดยเป็นปฏิกู ล, ลสัญญาโดยเห็นธรรมชาติว่ากายนี้มันเป็นสิ่งปฏิกูลพอเห็นโดยความเป็นธาตุเห็นโดยความเป็นปฏิกูลอพิจารณาต่อไปโยนิโสมานาทิการเราก็พิจารณากายนี้ต่อไปศึกษาเรียนรู้มันต่อไปศึกษาเรียนรู้รตรงๆไปที่กายนี้ต่อไปเรื่อยๆเรื่อยๆในที่สุดมันจะเห็น ความเป็นจริงต่อมาเรียกว่าไม่ว่ากายไหนถ้าศึกษาตรงเข้าไปก็จะเกิดเป็นความรู้ชนิดนี้เราก็จะเห็นว่ากายเนี้ยมันก่อตัวขึ้นมาในเบื้องต้นตั้งอยู่ในถ้ำกลางแตกสลายไปในที่สุดนั่นคืออะไรนั่นคือมันจึงเห็นเลยว่าร่างกายนี้มันเป็นอนิจจงมันไม่ใช่เที่ยงนะมันไม่ใช่นิจจงนะ มันเป็นอนิจจังเมื่อก่อนในโน้นเดิมทีตอนที่เราอยู่กับสุขสัญญาสัญญานิมิตอยู่กับสิ่งที่สมมุติอยู่กับสิ่งที่เราจับมาปรุงแต่งเข้าอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นมันมันเราก็พยายามประคองจิตหลงอยู่กับอะไรอยู่กับนิจจังอยู่กับความเที่ยงอยู่กับความเข้าใจว่าไอ้นี่มันเป็นตัวเป็นตนมันเที่ยงแท้แน่นอนมันไม่เปลี่ยนไม่แปลงไม่แป ร, ไ ม, แปรไม่ปลุน มันยึดมันเลยทําให้เราต้องยึดยึดยึดยึดยึดยึดไว้เพราะอํานาจของอนิจจสัญญาด้วยความสําคัญว่ามันเที่ยงแต่พอเราไปพิจารณากายให้ตรงๆรงทำโยนิโสมะนสะิการพิจารณาก็ไปตรงๆหลังจากที่เรารู้ด้วยความเป็นธาตุรู้ด้วยความเป็นปฏิกูลโดยธรรมชาติของมันแล้วต่อไปเราก็จะรู้ด้วยความเป็นอนิจสัญญารู้ด้วยความว่ามันไม่เที่ยงอะกายเนี่ย มันไม่เที่ยงเลยเพราะมันหาแต่ก่อนเราเข้าใจว่ามันเที่ยงแต่พอเราพิจารณาไปแล้วเนี่ยมันทะลายก้อนของความเที่ยงออกไปมันก็เห็นว่ามันไม่เที่ยงพอเห็นไม่เที่ยงแล้วก็เป็นอนิจจสัญญาพิจารณาอย่างนั้นเมื่อก่อนเราก็เห็นเป็นสุขสัญญาว่ามันเป็นก้อนแห่งความสุขพอพิจารณาไปอ้าวมันเป็นทุกขสัญญาคือมันมันกลายเป็นสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพเดิมไม่ได้ มันไม่มีอย่างอื่นเลยมันมีแต่สภาพของความสิ่งที่ชื่อว่าทุกข์พิจารณาไปมันก็อย่างนี้ก็มันจะเกิดเป็นอนัตตสัญญาแต่ก่อนนั้นเราเห็นเป็นอะไรเป็นอัตตาสัญญาเห็นเป็นตัวเป็นตนเป็นชิ้นเป็นอันเป็นกลุ่มเป็นก้อนแต่พอเราพิจารณาไปอย่างนี้เราก็จะเห็นชัดว่ามันเป็นอนัตตสัญญาก็คือว่ามันไม่ได้อยู่ในอำนาจบังคับบัญชาของใครเราจะไปกำหนดคาดหมายว่าให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่ได้เลยอันนี้ คือการเข้าไปสู่กายสู่ใจที่แท้จริงเป็นการพัฒนาเป็นการสร้างเสริมอบรมปัญญาถ้าปัญญาตัวนี้มีมาอย่างนี้ได้เนี่ยความรู้อย่างนี้มันมีมาได้มันเกิดขึ้นได้มันก็จะถอยออกมาจากความพอใจและความไม่พอใจดังว่าอืและท่าทีของเรามันก็จะถูกต้องอเวลาถูกต้องอะไรล่ะถูกต้องความเห็นถูกต้อง ความคิดถูกต้องการพูดก็ถูกต้องการพฤติกรรมการแสดงออกก็ถูกต้องการเลี้ยงชีวิตก็จะถูกต้องความเพียรพยายามก็จะถูกต้องความระลึกรู้ก็จะถูกต้องความตั้งใจก็จะถูกต้องนี่เองล่ะนั่นแหละความรู้อย่างนี้แหละมันก็จะให้ความถูกต้องขึ้นมาเพราะว่าถูกต้องขึ้นมาอย่างนี้ความตั้งมั่นของชีวิตก็ปรากฏนะ เชื่อตอมาว่าเราจะต้องถอยออกมาออกมาจากสิ่งซึ่งที่เราปรุงแต่งขึ้นจากเรื่องราวของชีวิตออกมาสู่ความเป็นจริงอย่างนี้แหละทันวันนี้เลยยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดทีนี้ถ้าท่านสังเกตว่าไอความรู้หรือปัญญาที่ว่านี้ถ้าเราไม่ทำมณสิการหรือโยนิโสมนสิการตรงไปสู่กายสู่ใจของเราแท้ แล้วก็ไม่ใช้ความเพียนในการทําการพิจารณาอย่างนี้ในการศึกษาค้นคว้าอย่างนี้ยากเหลือเกินที่มันจะเกิดขึ้นหรือแม้ว่ามันเกิด ต, ตอนนี้มันเกิดแล้วแหละทุกคนในโลกนี้ในปัจจุบันเนี่ยมันก็มีความรู้นี้อยู่แต่มันความรู้ในชั้นสัญญามันไม่ใช่ความรู้โดยประจักษ์ความรู้ัชั้นชั้นสัญญาก็เพราะว่าเราท่องได้นี่ นิจจังทุกขังอนัตตานั้นไม่เที่ยงเป็นทุกเป็นอนัตตาบางคนสวดบนแปลได้เนี่แต่ความรู้ชั้นชั้นชั้นชัสัญญานี้่ยมันทลายไม่ได้ฮะมันทลายกลุ่มก้อนของนิจจสัญญาไม่ได้มันทลายกลุ่มก้อนของสุขสัญญาไม่ได้มันทลายกลุ่มก้อนของอัตตะสัญญาไม่ได้มันทลายไม่ได้มันเพียงแค่จาได้แต่มันทลายไม่ได้ แต่ถ้าเราทำโยนิโสมานาทิการบ่อยๆทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําบ่อยๆทําบ่อยๆทํา บ, บ, บ่อยๆมันทลายได้มันทลายได้ด้วยความรู้ที่มีกําลังและแข็งแรงขึ้นมาแล้วก็พัฒนาขึ้นมาไอ้ความรู้ชนิดนี้เมื่อเกิดขึ้นแล้วมันจะมีองค์ประกอบที่น่าสนใจน่าสนใจหมายความว่าโลกเราที่กําลังแสวงหาทวินหาหาจุดที่มันลงตัวของสันติภาพเนี่ย จุดที่ลงตัวของสันติภาพเนี่ยมันจะต้องเกิดด้วยอํานาจของความรู้ชนิดนี้นะเพราะอะไรเพราะความรู้ชนิดนี้เมื่อเกิดแล้วมันจะให้อะไรมันจะให้ความมั่นคงมันจะให้ความจริงเรียกว่าสัจจะมันจะให้ความเสียสละมันจะมีความเอื้อเฟือ้อมันจะมีน้ําใจมันจะแค่ต่อความสุขของผู้อื่น มันจะมีความรับผิดชอบที่ชื่อว่าจากฆะแล้วมันจะมีความสงหบมันจะมีความสเสมอมันจะมีความเรียบและมันจะมีความสวัสดนอภายในที่เราเรียกกันว่าอุปัสมะนั้นปัญญาสัจจากฆะอุปสมะทั้งสี่ประการนี้มันเป็นดอกผลของการพัฒนาความรู้ที่ตรงเข้าไปสู่กายสู่ใจอย่างที่อามาได้กล่าวเพราะมันเป็นอย่างนี้มันก็จะเป็น จุดลงตัวของสันติภาพของมนุษยชาติเลยทีเดียวนั้นการที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้และนำความรู้ชนิดนี้มาแสดงต่อโลกเราเรียกกันว่าปฏิวัติทางความคิดไม่มีใครในโลกนี้ที่จะสามารถรู้และสอนได้อย่างที่พระพุทธเจ้ารู้สอนได้อย่างที่พระพุทธเจ้าสอนนั้นเราทุทกคนนะที่ว่ามีโอกาส ได้รู้จักคำว่าพุทธพุทธได้มีโอกาสรู้จักคำว่าพระพุทธศาสนาได้มีโอกาสรู้จักคำว่าพระพุทธเจ้าหรือพระรัตนตรัยแล้วอย่าปล่อยให้โอกาสอย่างนี้หลุดผ่านไปเฉยเฉยมันจะต้องหันหน้าเข้าไปสู่การศึกษาเรียนรู้อย่างถูกวิธีอย่างถูกต้องอย่างถูกวิธีอย่างถูกต้อ ง, อ ง, อ ง, องในตัวของความเป็นพุทธในตัวของความเป็นพุทธศาสนาเพื่อหันมาใช้ กายใช้ใจนี้ให้มันถูกต้องพอมันถูกต้องแล้วเนี่ยถูกต้องทั้งแปดประการดร้วยอหนาจของความรู้อย่างที่อตมากล่าวเราก็จะไม่มีวันที่จะหลุดออกไปจากศาสนานี้ได้อีกเลยเมื่อใดที่ความเห็นถูกต้องเกิดขึ้นความคิดถูกต้องเกิดขึ้นคำพูดถูกต้องเกิดขึ้นการกระทำถูกต้องเกิดขึ้น การเลี้ยงชีวิตถูกต้องเกิดขึ้นการเพียรพยายามถูกต้องเกิดขึ้นและการระลึกรู้ถูกต้องเกิดขึ้นการตั้งใจถูกต้องเกิดขึ้นความถูกต้องเหล่านี้ที่เกิดขึ้นด้วยอำนาจของความรู้เกิดขึ้นดังนี้แล้วเนี่ยเราไม่มีวันที่จะหลุดออกจากเส้นทางของพระพุทธศาสนาชีวิตของเราก็จะมีแต่จะเริญนรุ่งเรืองฮอกห่ามความจงใจความคิดความครุ่นคิดทั้งหมด ที่ก่อให้เกิดความรู้สึกและเป็นที่มาของความทุกข์ทั้งปวงมันจะถูกตัดกระแสถูกตัดกระแสและถูกดับตัดกระแสคืออะไรตัดกระแสก็คือว่าความรู้ชนิดนี้มีกำลังของสติที่เข้าไปตัดกระแสของมันอย่างที่ท่านตรัสว่า ยาณิโสตานิโลกาสมิงกระแสะเ่าใดที่มีอยู่ในโลกสติเตซังนิวารณังสติจะตัดกระแสะเหล่านั้นโส ต, ตะสะานังสังวรังบรูมิเราขอกล่าวว่าสติเป็นเครื่องกั้นกระแสะทั้งหลายปัญญาเยเตปิธยเรปัญญาจะตัดกระแสะเหล่านั้นมันสติกับปัญญาที่อยู่ในรู้ จะทำให้เราไม่หลุดออกไปจากคำว่าพระพุทธศาสนาจะมีแต่ความเจริญหอกงามรุ่งเรืองยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นในคำสอนของพระพุทธศาสนานี้ตลอดไปเพียงแค่เราทำโยนิโสมนธิการตรงต่อกายต่อใจแท้ๆเท่านั้นเองสำหรับวันนี้ก็ในช่วงของการบรรยายก็น่าจะพอสมควรแก่เวลานะ